ในเวลา30นาทีต่อจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันฟังธรรมะ ก, กัน30ิบนาทีเนี่ยท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิดว่าก็ไม่ได้มากอะไรในเวลาที่ไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดว่าไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เวลาในช่วง30นาทีนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมะได้อย่างมากที่สุดนั้น เราก็ตั้งใจฟังเงี่ยหูคอยฟังตั้งจิตคอยที่จะรู้ให้ดีว่าสิ่งที่บอกสิ่งที่ได้แสดงมาเป็นลําดับลําดับโดยมีพระผู้มีพระภาคเป็นองค์แรกที่ได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้นั้นมีเนื้อความอย่างไรมีความหมายอย่างไรมีความลึกซึ้งมากน้อยขนาดไหนเราจะทํา30นาทีนี้ให้เป็นเวลาที่มีค่ามากได้ไม่ต้องอรัมพบทกันมากท่านผู้ฟัง วันนี้จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภิกษุชาวเมืองโกสัมพีถ้าดังมาฟังสนใจที่จะอ่านพระสูตรในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงของฟังธรรมคำพุท ธ, ธะในพระไตปรปิฎกเล่มที่12องข้อที่5 4าีเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทีนี้ว่าเนื้อหาในพระสูตรนี้ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าอบรมภิกษุเหล่านั้น ที่จะเริ่มมีความบาดหมางแตกเล้าวกันละ่ะแต่ถ้าเราจะมาดูเนื้อหาเต็มๆของเรื่องความเล้ารานความแตกความบาดม้างกันของพิสูจชาวโคสัมพีนี้ในเรื่องเต็มๆนั้นก็จะอยู่ในพระวินัยปิฎกเล่มที่5ข้อที่238แปดก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ท่านบูฟังฟังคือที่มาในมัชชิมานิกายเนี่ยคือเล่มที่12ข้อที่540แต่ส่วนเรื่องเต็มๆนั้นต้องไปดู ไล่มาตั้งแต่เล่มที่5ข้อที่สองร้อยสาหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีหนังสือหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ก็นี่แหละวันนี้ละ่30ะ30มนาทีนี้เราจะมาเล่ากันให้ฟังแต่ว่าเรื่องราวเนื้อหาที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพิกษุชาวเมืองโกสัมพีนั้นแต่กันอย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแต่มันเริ่มมาจากห้องส้วมท่านผู้ฟังเริ่มมาจากส้วมนต่มันแตกกันตรงนี้เวทหนีไม่ใช่แบบว่าเปียกนะ เวทนี่แปลว่าส้วมในภาษาอีสานนี่แหละครัพระเจ้าเคยได้ยินคนเรียกว่าห้องเวทห้องเวทนั่นก็คือห้องส้วมนั่นเองแต่มันก็เป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ห้องส้วมแสําหรับภิกษุซึ่งภิกษุในเวลาไปใช้ห้องน้ํามีข้อบัญญัติอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าหลังจากใช้ห้องน้ําทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําที่จะใช้ในการชำระเนี่ยจะต้องไม่ให้เหลือคาขันเอาไว้จะต้อง ให้มันเกลี้ยงไม่ให้มันมีน้ําคาอยู่ในขันอาจจะด้วยเนื่องจากเหตุว่าอาจจะมียุงไปไข่ใส่หรือว่าอาจจะมีเชื้อโรคสะสมไว้แต่ก็ด้วยเรื่องแค่ตรงนี้ตนั้นเองแต่ภิกษุรูปหนึ่งไปใช้ห้องน้ําเหลือน้ําคาขันทิ้งเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอาบัตแต่ด้วยความไม่รู้ก็จึงทําผิดพลาดไปแต่ภิกษุอีกรูปหนึ่งที่สู่รูปที่สองที่จะมาใช้ห้องน้ําต่อ น, นั้นเขาก็เห็นว่ามีน้ําคาเหลืออยู่ ก็เลยเตือนภิกษุรูปแรกนั้นว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นอาบัตนะจะเป็นความผิดนะแต่ซึ่งภิกษุรูปแรกนั้นพอมีคนเตือนแล้วก็จะทําการแก้ไขแล้วจะทําการปรองอาบัตแต่ภิกษุรูปที่เตือนนั้นก็บอกอ้าวถ้าท่านไม่ทราบนี่นก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นอาบัตแล้วด้วยคําพูดที่หลังตรงนี้ก็เลยทําให้ภิกษุรูปแรกที่ทําพลาดไปนั้น้เข้าใจว่าอ้าทั้งงั้นก็ไม่ปรองอาบัตแล้วก็ไม่ได้ทําคืนอาบัตละแต่เรื่องมันยังไม่ได้จบที่ตรงนี้เท่านั้น ท, ทั้งหมดฝั่งนา รูปที่สองนี้แต่กนละับเอาไปพูดในหมู่ลูกศิษย์ของตัวเองแต่นะมาดูศิวิสุรูปแรกนั้นแต่นะมีความผิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ไม่รู้แต่นะเที่ยวพูดไปพัฒนาไปแต่นะยกโทษของคนอื่นเขาขึ้นมาแต่นะําว่ายกโทษนั้นก็คือว่าพูดถึงโทษของเขาพูดถึงความผิดของคนอื่นเขาภิกษุรูปที่สองนี้เอาโทษของภิกษุรูปแรกมาพูดแต่นะก็คือมีการยกโทษของคนอื่นขึ้นมาในลักษณะนี้ในภะิกษุรูปแรกที่ถูกเขายกโทษ เขาเอาความไม่ดีของตัวเองมาพูดถึงโดยความเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ทราบมาก่อนแตนะ่พอได้ยินข้อมูลจากกลุ่มของพิสุรูปที่สองนั้นก็เลยมีความคิดว่าอ้าวไหนท่านบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัตแล้วทําไมตอนนี้มาบอกว่ามีความผิดพลาดมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเอ็มมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วนะพูดกันไปพูดกันมาในลักษณะนี้แล้วก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มเลทีนี้ คือกลุ่มที่เที่ยวชี้โทษของคนอื่นแต่ชี้บาปเขาเนี่ยดูสิเหลือน้ําทิ้งไว้ในห้องน้ำก็ไม่รู้อันนี้คือกลุ่มที่สองที่เที่ยวชี้โทษของคนอื่นภิกษุกลุ่มแรกในที่ถูกเขาชี้โทษด้วยความที่ตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1ที่มีความคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่ถูกชี้โทษในลักษณะนี้ก็จึงเริ่มมีถ้อยคําที่จะบาดมางกันละเห็นไม่ตรงกันละ เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเริ่มมาจากน้ําที่เหลืออยู่ในขันชําระเท่านั้นเองตามวังพอเริ่มมีการกล่าวโทษกันในลักษณะนี้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งไปแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าเริ่มมีการกล่าวโทษกันอย่างนี้แล้วในภิกษุพวกที่ถูกกล่าวโทษก็มีกลุ่มหนึ่งกับพวกภิกษุที่กล่าวโทษคนอื่นก็มีกลุ่มหนึ่งแะแยกกันความเห็นไม่ลงกันละเริ่มมีตรงนี้ ตรงนี้ก็จึงเป็นเนื้อหาของพระสูตรที่เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่มาในมัชฌิมานิกายที่เรียกว่าโกสัมพิยสูตรในเล่มที่12ข้อที่540แต่พระพุทธเจ้าจึงเรียก2กลุ่มนี้มานั่นคือหมายความว่าต้นตอนเลยล่ะเอารูปที่1ในที่ถูกเขากล่าวโทษมาที่เข้าไปห้องน้ําใช้ขันจําระแล้วเหลือน้ําทิ้งอยู่เอาพิสูรรูปที่สองในที่เข้าไปใช้ห้องน้ําที่หลังเห็นเขาเหลือน้ําทิ้งเอาไว้ก็เลยกล่าวโทษเขาชี้โทษเขา เอาสองรูปนี้มานดีมาสอบถามดูซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ทราบความที่ทั้งสองรูปนี้มีความขัดใจกันทะเลาะกันวิวาทกันเนื้ทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากคนหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นธรรมคนหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นวินัยคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้คนหนึ่งก็บอกต้องได้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ลงรอยกันะไม่เข้าใจกันไม่ยั่งกันและกันให้ปรองดองได้ะไม่ปรารถนาความปรองดองกัน ไม่ลงรายกันเลยว่าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ถามอย่างนี้ท่านผู้ฟังในประชดนี้ถามบอกว่าถ้าคนเรามีเมตตาให้กันแต่มีเมตตาให้กันทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่จะสามารถที่จะมาทิ่มแทงกันด้วยห่อคือปากสามารถที่จะเกิดความขัดใจกันไม่ลงรอยกันวิบาดกันได้อยู่หรือไม่คนที่มีจิตเมตตาเนี่ยจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่า ในพิสูจหล่านั้นยืนยันกับพระพุทธเจ้าต่านผู้ฟังบอกว่าไม่ได้เลยเอานี้แสดงว่าสองรูปนี้นะเขาไม่มีเมตตาให้กันไม่มีเมตตาให้กันทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่มีเมตตาให้กันทั้งต่อหน้าและรับหลังก็เลยไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ต้องทิ่มแทงกันบาดม้าง ก, กันล้อกันและไม่ใช่ต่อหน้าเท่านั้นรับหลังด้วยและไม่รู้ไม่เห็นธรรมคือความเมตตา พอไม่รู้ทําไม่เห็นทำเคือความเมตตาพระพุทธเจ้าก็เริ่มละ่ะนะว่าพวกนี้คือเป็นบุคคลกลวงในะบุคคลกลวงก็คือโมฆะบุรุษแลนะบุคคลว่างเปล่าจากธรรมะว่างเปล่าจากธรรมะคือความเมตตาในเมื่อไม่มีกันแล้วมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ล่ะมันจะทําให้เกิดความไม่บรองดองกันนะไม่เข้าใจกันยั่งกันและกันให้เข้าใจไม่ได้นะทํำยังไงละ่ะเนื้อหาในพระสูตรนี้จึงพูดถึงธรรมะหกอย่างในมูอฝังที่จะเป็นเหตุให้มีความระลึกถึงกันมีความรักกัน ทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ไม่วิวาทมีความร่มเรียงเป็นพวกเดียวกันตรงนี้จำให้ดีแะ่บวังธรรมะหกอย่างต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อให้ไม่เกิดความวิวาทกันเพื่อให้เกิดความร่มเรียงมีความเป็นพวกเดียวกันได้แต่ถ้ามูคณะกลุ่มไหนที่เขาแตกกัน ไม่ปรารถนาที่จะลงรอยกันปรองดองกันก็ไม่ได้เขาแสดงว่าไม่มีธรรมะหอย่างนี้แน่นอนหกอย่างนี้คืออะไรแสามข้อแรกเป็นเรื่องของความเมตตาท่านผู้ฟังเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจทั้งต่อหน้าและทั้งรับหลัง่ไม่ใช่แค่ต่อหน้าอย่างเดียวต่อหน้าฉันพูดดีกับเธอ่พูดจาที่ทําให้เกิดความรักความเมตตากัน แต่รับหลังนี่โอ้โหใส่ไฟกันบึ้มๆมอันนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ 3. อย่างนี้เป็น3มข้อแรกที่จะทําให้เกิดความรักกันมีความเข้าใจกันครบซึ่งกันและกันแทําให้มีความสามัคคีปล o n ดองกันพร้อมเปลี่ยนกันได้ข้อที่4ถัดมาก็คือเป็นผู้ที่มีการแบ่งสิ่งที่ได้มาแต่สิ่งที่ได้มานี้หมายถึงลาบนั่นเอง ลาบในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถึงแม้แต่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเช่นอาหารที่ได้มาจากการบินาบาบัดเราก็แบ่งกันแต่ไม่กีดกันไว้เพื่อตนเองโดยเฉพาะแต่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในให้ผู้อื่นสามารถนํามาใช้มากินได้อันนี้คือเรื่องของลาบที่เกิดขึ้นข้อที่5และข้อที่6นั้นเป็นเรื่องของความเสมอกันด้วยศีลและความเสมอกันด้วยทิฏฐิ ในเรื่องของศีลนั้นไม่ใช่ศีนธรรมดาทั่วๆไปท่านผฟังต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิต้องเป็นศีนชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญนในเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิลูปกลำในคำว่าไม่ถูกตันหาและทิฏฐิลูปกลำนั้นก็หมายความว่าไม่ได้รักษาศีลเพื่อที่จะยกตนให้ข่มคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นอันนี้แสดงว่ายังมีทิฏฐิมีตันหาอยู่แต่ทำไมเธอไม่ทําชั้นดาเธอเพราะเธอไม่มีศีนก้อนี้ น่ยไม่เป็นอย่างนั้นเน่ยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากปัญหาและไม่ถูกลูกลําด้วยทิฏฐิต้องเป็นสีในลักษณะนี้เน่ส่วนทิฏฐินั้นก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมวังเน่ทิฏฐิแปลว่าความเห็นเนี่ยความเห็นที่เสมอกันความเห็นที่เสมอกันนั้นไม่ใช่ว่าเห็นในเรื่องอะไรก็ได้เหมือนเหมือนกันที่ว่าจะลงก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันเนี่ยบางทีความคิดมันไปคนละข้างก็ยังแตกกันอยู่ดีมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกัน ในเรื่องของมิจฉา ท, an, VISTA, ท, an ids, ทิฏฐิจะมีความดำมรีความคิดต่างกันคนละขั้วก็มีแต่พวกนี้มันก็ยังจะแตกกันได้ถึงแม้จะมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันก็ตามแต่ว่าทิฏฐิที่เหมือนกันในที่นี้หมายถึงว่ามีสัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิที่จะเป็นไปเพื่อที่จะละกิเลสได้ให้มันไกลจากเรื่องที่จะทำให้มัมาทุ่มเถียงกันถกเถียงกันหนึ่งก็เรื่องของกิเลสให้ไกลจากตรงนั้นพวกอย่างนี้พูดย่อๆนะ คือเมตตาทางกายทางวาจาทางใจต่อหน้าและรับหลังมีล้าวก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสันเสริญเสมอกันมีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเสมอกัน6กอย่างนี้ถ้ามุ่ฝังไม่ต้อง อ, อรบรมก็ได้ขอสักอย่างหนึ่งแนะที่ทำให้ดีทำให้สมบูรณ์หกอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันทาความรักกันให้เกิดขึ้นทาให้มีความเคารพกันมีการสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความร้อมเปรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันมูคณะไหนมีความสามัคคีกันร้อมเปรียงกันเราจะเห็นคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างนี้แน่นอนยิ่งแต่ซีกันปึกเลยมีความแน่นแฟน้นและใน6อย่างนี้จะต้องมีมากกว่า1นึข้อมีสองข้อขึ้นไปสข้อขึ้นไปแล้วก็ยิ่งทําความกลมเกลียวความร้อมเปรี่ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ระวังในข้อที่6 คืเรื่องของทิฐิที่มีความเสมอกันนี่ยพระบุตรเจาบอกว่าเป็นเหมือนกับยอดของเรือนแต่เป็นเรือนยอดที่คอยคุมเรือนอยู่เวลาฝนมันจะตกใส่เนี่ยยอดเรือนเนี่ยจะเป็นตัวแหวกน้ําออกไม่ให้น้ําเนี่ยเข้าไปเก็บสะสมอยู่ในตัวเรือนซึ่งจะทําความผุพังให้ตัวเรือนได้เพราะฉะนั้นยอดเรือนเนี่ยสำคัญแต่เป็นจุดที่จะเป็นรอยต่อเป็นจุดที่ถ้ามันจะแตกมันจะแตกตรงนี้ก่อนถ้ามันจะมีความปิดพลาดตรงเนี้ จึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าต้องมีทิฏฐิเสมอครันนะเป็นทิฏฐิชนิดที่เป็นนิยานนิกรรทำคือหมายความว่าเป็นทิฏฐิที่จะทาให้เกิดความสิ้นทุกขได้เป็นทิฏฐิชนิดที่จะไกลจากข่าศึกไม่ใช่ว่าทิฏฐิอะไรก็ได้นะต้องเป็นทิฏฐิชนิดที่เป็นนิยานนิกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่จะนําให้ไกลจากกิเลสที่เป็นข่าศึกต่อจิตใจแต่ถ้าใครมีทิฏฐิในลักษณะนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นโสดาปฏิมรักแล้วเป็นอย่างน้อย หรืออาจจะถึงขั้นสดาปฏิปนด้วยซ้ําถ้ามีทิฏฐิในลักษณะนี้เพราะว่าบุคคลที่มีทิฏฐิในลักษณะนี้เนี่ยเรื่องของนิวรณ์นี่คือเครื่องกลางกางั้นทั้ง5้าอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดในทางการเรื่องของความพยาบาทเรื่องของความง่วงซึมความฟุง้งซ่านําคาญใจแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยจะกลุ้มรุมจิตของเขาไม่ได้จะครอบงําจิตนี่ยไม่ได้แล้วก็จะรู้ชัดเลยแหละ ว, ว่าอ๋อ oh, นิวรณ์ครอบงาจิตใช้ไม่ได้ละมีทิฏฐิชนิดที่ทําให้กิเลส ที่จะครอบงำจิตได้นั้นละทิ้งไปได้เรื่องของทิฏฐิสิบอย่างที่จะเป็นไปในลักษณะมิจฉาทิฏฐินักเขาก็จะละได้มีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จะรีบแก้ไขทันทีในคนที่มีความเห็นสัมมาทิฏฐิลักษณะนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับเด็ ก, ก อ, อ่อนๆที่เวลาที่มือหรือเท้าไปถูกไฟหรือว่าถูกความร้อนแล้วเนี่ยก็จะรีบชักหนีโดยปลันแต่เปรียบตรงนี้ก็คือ มีการแก้ไขโดยเร็วละถ้ามีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จะรีบแก้ไขตัวเองคนที่มีสมาธิติดแบบนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะคอยเล็งเห็นอยู่ในสามัญญผลอะไรที่ทำความก้าวหน้าให้ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในธรรมะวินัย น, นี้จีตใจเขาจะเพ่งเล็งไปตรงนั้นจิตใ้เขาจะโน้มน้อมไปตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่แม่โคลูกอ่อนถึงแม้ว่าจะกินหญ้าอยู่ก็ตามและสายตาของแม่โคนั้นก็จะคอยดูลูกอยู่ ลูกเล่นอยู่ตรงไหนเป็นยังไงถึงแม้ตัวเองจะกินยากอยู่ก็ตามก็จะคอยสอดส่องดูแลลูกอยู่เปียเหมือนคนที่มีสัมมาทิฏฐิชนิดนี้ละ่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็จะคอยพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นดีขึ้นและเล็งเห็นสามัญญผลที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นและเวลาที่มีใครแสดงธรรมนะบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิประเภทนี้รีรียบเสมือนเป็นยอดเรือนคอยคุ้มกันให้ มีฐานเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงการมีความรักกันเนี่ยเขาก็จะคอยเงี่ยโสดลงฟังธรรมทำกําหนดจิตเอาไว้ในะการที่จะคอยฟังธรรมให้รู้ให้มีความเข้าใจพอคนตั้งใจฟังธรรมท่านผู้ฟังมันก็จะมีปราโมทมีปีติอันเกิดแต่ธรรมนั้นเพราะว่าย่อมรู้อัตถะรู้ธรรมะที่ตัวเองได้ฟังนั่นแหละพอเข้าใจถึงอัตถะเข้าใจถึงธรรมะก็มีความปราโมทอันเกิดด้วยธรรม เป็นความปีติเป็นความปราโมทที่เป็นนิรามิต่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมาล่อแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากข้างในจากความสุขความสบายที่ได้ฟังธรรมนั่นเองและเจ็ดข้อนี้ธรรมว่างจะเป็นเรื่องตรวจสอบว่าเรามีความเห็นมีทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่แต่เพราะว่าทิฏฐิที่ถูกต้องความเห็นชนิดที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้นเป็นเรื่องที่สําคัญล่ะเป็นเหมือนยอดเรือนเป็นหนึ่งในธรรมะหข้อ ที่จะทำให้เกิดความรักกันมีความครอบมีความสงเคราะห์มีความร่มเรียงเป็นพวกเดียวกันรูลึกถึงกันทําความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ก็คือ1ใน6ข้อในสารธรรมยธรรม6เนี่ยอันใดอหนึ่งก็สามารถทําให้เกิดความสามัคคีกันได้นะท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทั้ง6ข้อข้อใดข้อหนึ่งก็มีได้แต่ข้อที่สําคัญที่สุดก็คือข้อที่6กนั่นก็คือเรื่องของทิฏฐิอันนี้สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงอธิบายยาวหน่อยนะว่ามันจะมีองค์ประกอบ หรือว่าเครื่องตรวจสอบว่าเรามีทิฏฐิความเห็นประเภทนี้อย่างไรน้ำพูดง่ายๆก็คือเป็นโสดาบัลล่ะแั้วก็คือโสดาปฏิผลด้วยเลยแล้วกถึงขั้นผลเลยเพราะฉะนั้นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกกับเขามันจะทําให้ไม่กระเทือนกันนี้เราจะพอรู้ได้ว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นโสดาบัลแต่ถ้าพูดอะไรไปแล้วจะทำให้เกิดความบาดหมางกันมีการทะเลาะกันไม่เคารพกัน มีการวิวาดการไม่พร้อมเรียงกันไม่รักกันเนี่ยเราพอจะรู้ได้ละระหว่าคนนี้ไม่ใช่โสดาบัลแนแ่แสดงว่าเขายังไม่ได้ขั้นโสดาปฏิผลถ้าไม่มีมิจฉาวาจาบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างอันนี้จะเป็นการตรวจสอบได้อันนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ละ่ะคือถ้ามีการเทศสอนในลักษณะที่จะทําให้เกิดความบาดม้างกันพูดกระทบคนนั้นพูดกระทบคนนี้อ่า แ, แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นโสดาบัลในผู้ที่พูดตรงนั้นแต่ถ้าพูดในทางสร้างสารรค์ ผู้ในทางที่จะทําให้เกิดความสงเคราะห์กันมีความเคารพกันมีความรักกันไม่วิวาท ด, ด่าทอกันและพร้อมเปรียงเป็นพวกเดียวกัน่ผู้ที่พูดอย่างนี้แล้วก็จะมีสัมมาทิฏฐิะที่จะเป็นไปถึงขั้นโสดาปฏิปนได้อันนี้เป็นไปได้พระสูตรที่พูดถึงเรื่องคุณธรรมที่จะทําให้เกิดความรักความสามัคคีกันที่ได้ตรัสไว้กับภิกษุชาวโกสัมพีนี้ก็จบที่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องยังไม่จบแต่บุฟังเพราะว่าเขาไม่ยอมกัน เขยังไม่ลงรอยกันเขายังไม่สามารถทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนได้เขายังที่จะดื้อแพ่งในการที่จะทะเลาะ ก, กันวิวาทกันอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามาดูเรื่องราวที่ตอนต่อของพระสูตรนี้ก็จะอยู่ในวินัยปิฎกนะเล่มที่5ข้อ239รนะ้าถ้ามีหนังสืออาจจะเปิดดูได้แต่ถ้าไม่มีหนังสือข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังแตนะ่ว่าพิสูจน์ทั้งสองกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าเรียกมาเทศมาอบรม ถึงสารนียธรรมทั้งหกอย่างนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยอมกันได้อยู่ยังไม่ฟังยังปรารถนาที่จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันยังไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่สามารถยังกันและกันให้ปรองดองได้แยังไม่เข้าใจกันละไม่มีความปรองดองกันยังทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากยังวิวาทยังทะเลาะกันอยู่พระพุทธเจ้าคราวนี้ก็จึงเสด็จไปที่อยู่กองพิสุกลุ่มที่สองก่อนคือกลุ่มที่ไปเที่ยว โจทย์เขาแต่ไปเที่ยวชี้โทษเขาว่าเขามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้นําไปหาพวกนี้ก่อนแต่ก็เตือนพวกนี้บอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งรู้วินยัยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการที่เราไปกล่าวหาว่าเขาผิดแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่เป็นพู้หูสูตนดไม่ใช่คนพานยังเป็นผู้ดีทรงธรรมทรงวินยัยเป็นผู้ใคร่ต่อสิขาเนี่ยการที่เราไปกล่าวหาเขาแล้วจะทําให้ มีเรื่องราวบาดหมางกันทะเลาะกันมีความวิบากกันเนี่ยก็อย่าไปกล่าวโทษเขาเลยถึงแม้เขาจะผิดจริงก็ตามนั่นไปเตือนในลักษณะนี้แต่คือถ้าเราไปชี้โทษเขาแล้วมันจะแตกกันเขาจะมีความขัดเกืองมีความไม่ลงรอยกันมีความบาดหมางกันเนี่ยก็มไม่ต้องกล่าวโทษเขาหรอกแต่คือให้พิจารณาเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนแต่ถ้ายังเป็นภิกษุที่ดีอยู่เป็นพระหูสูตร ผู้ใครในศิกขามีปัญญามียิริโอตปาเนี่ยความผิดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้มันมีได้แม้แต่พระอาหารหันต์เองก็ยังมีอาบัติเล็กๆน้อยๆอยเกิดขึ้นผิดพลาดได้อันนี้มันมีได้นะให้เห็นแก่ความสามัคคีก่อนนะไปพูดในลักษณะนี้นะให้ภิกษุกลุ่มที่เที่ยวไปชี้โทษเขาแล้วบุคคลที่จะไปชี้โทษคนอื่นนั่นนะตังังตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้หูสูดด้วยนะรู้ธรรมรู้วินยัย มีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ต้องไม่มีความลำเอียงไม่ได้เห็นแก่คนอื่นหรือเห็นแก่ตัวเราเห็นแก่พวกนั้นเห็นแก่พวกนี้จึงเที่ยวไปชี้โทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมทรงทรรมทรงวินยัยถึงสามารถจะไปชี้โทษเขาได้แต่คือถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยการที่ไปยกโทษคนอื่นนี่ก็คือหมายว่าเป็นการเพ่งโทษเหมือนกับการกระทำของคนผ่านแต่คนพานเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง แต่คนนั้นก็ทําผิดตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยก็จะไปเพ่งโทษเขาตรงนั้นตรงนี้อันนี้มลักษณะคนพาณนะเนี่ยแต่ถ้าไปเพ่งโทษนี่มันจะแตกกันมันจะพูดไม่ลงรอยกันไปกันไม่ได้ล่ะก็อย่าทําก็อย่าทำพระพุทธเจ้าเตือนไว้ตรงนี้แต่พอเสร็จเตือนพวกกลุ่มที่สองแล้วก็ไปหากลุ่มแรกที่ถูกเขาชี้โทษถูกเขาโจทย์อยู่แล้วก็ไปเตือนภิกษุกลุ่มแรกที่ถูกเขาชี้โทษถูกเขาโจดนั้นว่าเราจจะไม่ผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้ แต่ถ้าคนอื่นเนี่ยที่เขาเป็นผู้ทรงทํามทรงวินยัยแต่ก็มาชี้โทษเราให้เห็นความผิดที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังยืนยันว่าเราไม่ผิดเนี่ยแหมมันก็จะแตกกันมันก็จะบาดหมาง ก, กันถ้า ง, งั้นก็ยอมรับความผิดนั้นก็ได้แต่ถึงแม้เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่ผิดจริงๆก็ได้แต่สำนวนตรงนี้พระบูดาชาบอกว่าก็าพึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสียแม้ด้วยความเชื่อของผู้อื่นแต่คือถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะคิดว่าตัวเองไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นเขาชี้โทษเรามาแล้ว แล้วผู้ที่เขาชี้โทษโจทย์เรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินยัยก็ยอมยอมรับความผิดนั้นไปเถอดถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดจริงก็ตามแต่ตัวอย่างเรื่องนี้เราจะเห็นได้ในกรณีของท่านพระอานุล์ซึ่งท่านพระอานุล์เนี่ยถูกหมู่สงโจทย์ด้วยอาบัตอันหนึ่งที่ไม่ยอมถามพระพุทธเจ้าในตอนบริณิพานว่าอาบัติเล็กน้อยนี่คืออะไรแต่ท่านพระอนุล์ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดหรอกแต่ก็ในเมื่อหมู่สงเขาชี้โทษ แตหมู่ทรงนั้นก็เป็นพระอาารันส่วนใหญ่ด้วยเอาก็ยอมรับความผิดนั้นเสียทางทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดละแต่ก็ยอมรับไปเพราะอะไรเห็นแก่ความสามัคคีท่านผู้ฟังเห็นแก่ความสามัคคีเห็นเกิดความร่ำเรียงเห็นกับความที่จะทําให้เกิดความรักกันความเคารพกันความไม่วิวาทกันมีความปรองดองกันจึงรับตรงนี้อนี้เป็นตัวอย่างของธพระอา น, นุ์อย่างไรก็ตามสําหรับในหมู่พิกษศชาวเมืองโกสัมพีที่แบ่งเป็นสองพวกอย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าเรียกมาเตือนแล้วด้วยสารณียธรรม6อย่างไม่สามารถให้เขายอมได้แสดงไปถึงที่อยู่ของทั้ง2ฝ่ายเตือนใน2ลักษณะก็ยังไม่ยอมกันบุฟังคราวนี้เรื่องก็เลยเถิดกันไปถึงขนาดว่าลงอุโบสถแยกกันเธอก็ทําของเธอไปฉันกระทาของฉันไปแค่นั้นยังไม่พอน้าใบบินตบาดนั้นห น, น้าก็แสดงท่าทางกิริยาทางกายทางวาจาไม่เหมาะสมละ่ะ เพราะว่ามีความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาดกันแล้วเดินบินตาบาเนี่ยสวนกันก็ชูมือชูไม้อะไรทีนี้เราอาจจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันนั้นตบูฟังคนขับรถร่วมทางกันเนี่ยพอไม่พอใจให้กันก็ชูนิ้วกลางใส่กันนั่นคือทําการปรามทยกันด้วยมือให้สัญญาณในลักษณะที่จะเป็นเชิงดูถูกซึ่งกันและกันมองตากันหรือว่าทําท่าทางในลักษณะที่ไม่สงวรต่อกันและไม่ใช่ที่ว่าเท่านั้นตบูฟังยังไปทําในโรงพยาบ เวลาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนะเดินสวนเกิดกตารรมกันอย่างนี้อ้าวชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วทีพอชาวบ้านเขาเห็นอย่างนี้ภิกษุที่ดีๆเขาเห็นอย่างนี้ก็เริ่มโผนธนากันแล้วเอาทำไมพระทําท่าทางกันอย่างนี้ล่ะแบ่งกันเป็นสองพวกเดาทํากายกรรมวิจีกรรมที่ไม่เหมาะสมทําปราหมาตกันด้วยมือเดามีเรื่องบาทหมามีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องวิบาสกันพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามการกระทําเหล่านี้ซะเดาไม่ให้ทําสิ่งเหล่านี้เดาตราห้ามรอบที่หนึ่ง ในพิสูจน์ทั้งสองพวกนั้นก็ยังไม่ยอมนะ้วกลับมาบอกพระพุทธเจ้าอีกว่าให้พระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยเถอะประกอบความสุขในวิหารธรรมและนั่งสมาธิไปให้สบายพวกคาโปรงนี่จะฉากกันให้เห็นดําเห็นแดงไปละโดยการวิวาสพวกนี้ว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันแล้วรอบที่หนึ่งก็แล้วรอบที่สองก็แล้วก็ยังไม่ยอมแต่บูฟังแต่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเมตตามากนะแต่นะพอพิสูจ น, ะนะน์เริ่มจะแยกกันแต่กันแล้วก็เรียกมาให้โอวาท ในเรื่องของสารณียธรรมทั้งหกอย่างก็ยังไม่ยอมกันอีกก็อุชาเสด็จไปถึงที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายให้โอวาทในเรื่องของการให้เห็นแก่เรื่องของความสามัคคีก่อนเรื่องความผิดจะผิดจะถูกยังไงเอาไวท้ทีหลังก็ได้ เ, เรื่องนั้นไม่สําคัญก็ยังไม่ยอมในเรื่องเลยเถอดไปจนถึงขนาดว่าออกไม้ออกมือทําท่าทางกันก็เรียกมาห้ามถึงสองครั้งก็ยังไม่ยอมแต่บหวังคราวนี้ประพุทธเจ้าก็จึงเล่านิทานให้ฟัง เป็นนิทานเรื่องทีคาบุกุมานแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่ทีคาบุกุมานสามารถละการปลูกเวรในใจของตัวเองได้ถึงแม้จะถูกฆ่าพ่อกระต่ำแต่คือพ่อของตัวเองตายไปด้วยศัตรูคู่อาฆาตก็ยังยกโทษให้ได้ไม่ปลูกเวรได้เรื่องราวของทีคาบุกุมานนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคิดว่าข้าพเจ้าจะนํามาเล่าให้ตะบูวั ง, ฟ, งฟังในตอนต่อไปสําหรับในเรื่องของพิสูจนชาวโกสัมพีนี้ เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้แหละว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อบางทีทําให้คนแตกกันได้ทําเรื่องเล็กๆน้อ ย, อยใกกอๆอยอยให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปนกลายเป็นเรื่องที่จะใหญ่กว่าคุณธรรมคือความสามัคคีเป็นต้นคุณธรรมคือความปรองดองกันคุณธรรมคือความรักใคร่กันคุณธรรมคือความสามัคคีกันไปแต่ถ้ามาดูคุณค่าของน้ําเราเปเรียบเทียบดูคุณค่าท่านผู้ฟังของน้ําที่เหลือติดอยู่ในขันเวลาที่เขาใช้ล้างชำระอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้ว น้ำที่เหลืออยู่ในขันในตะบูฟังมันมีค่ามีราคาเท่าไหร่ตะบูฟังว่าน้ำที่เป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันเนี่ยนะมันมีค่ามีราคาเท่าไหร่และมันค่าน้อยมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรและเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความสามัคคีกันเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความเมตตกันและเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความที่พร้อมเปลียงกันมีความเป็นพวกเดียวกันมีความรักกันน้ำเนี่ยมีคุณค่าน้อยกว่ามากมีคุณค่าน้อยกว่าคุณธรรมคือความอดทน คือความสงบเสงี่ยมมากหรือว่าเราทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรถ้าทะเลาะ ก, กันเพราะเรื่องสร้างเสนาสนะเอาเสนาสนะราคาเท่าไหร่อาจจะเป็นราคาเป็นแสนอาจจะเป็นราคาเป็นล้านแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคุณธรรมที่กล่าวมาแล้วคือความอดทนความสามัคคีความรองดองความเมตตาโอ้คุณธรรมเหล่านี้เป็นสามัญญชนนะมีค่ามากกว่าราคากุฏิราคาวิหารราคาที่พักเสนาสนะแน่นอน หรือว่าคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรเหลี่ยงเจ้าสากยะนี่เขาทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ําจะเอาน้ําเข้าไปในนาข้าวของตัวเองแต่ต่างฝ่ายต่างก็จะเอาก็ทะเลาะกันน้ำเนี่ถ้าเปรียบเทียบกับกษัตริย์แล้วมีค่ามีราคาน้อยกว่ามากไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้มาทะเลาะกันเลยหรือเราจะมาดูเรื่องที่เราทะเลาะกันในทําอาหารเนอะคุณจะกินอันนั้นคุณจะกินอันนี้หรือทําความโจกโกรกเหรอทําตรงนี้แลอะทําตรงนี้เปื้อนไม่วางตรงนั้นไม่ตรงนี้ แล้วจะเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันถามคิดพิจารณาตัวเองดูดีก่อนว่าอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันระหว่างความรักใคร้กันความรองดองกันความสมัครใกันระหว่างเจ้าสิ่งเหล่านี้มีน้ําที่จะเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันมีเสนาสะนะมีการทําความสะอาดมีเรื่องจุกจิกตรงนั้นตรงนี้แล้วจะมาเป็นเหตุให้ทะเลาะ ก, กันเนี่ยเรามาเปรียบเทียบดูก่อนนะครับคุณธรรมที่เป็นสามัญญผลเหล่านี้ หรือเรื่องที่เราจะคิดว่ามันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่เป็นโครงการหลายร้อยล้านหรือสมรทานเป็นหมื่นล้านหรือว่าเรื่องคอขาดปาตายเรื่องชีวิตเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นต้นเนี่ยแล้วจะมาเป็นเหตุให้บาดหมางทะเลาะกันฉากการเห็นดาเห็นแดงเนี่ยเอาเราลองดูทีคาวุกุมานสิพ่อเป็นกษัตริย์ถูกฆ่าตายนี่เรื่องบ้านเมืองนะเป็นเรื่องความตายของพ่อนะ ที่คาวุกุมารยังสามารถละความผูกโกรธได้เพราะก็มาชั่งน้ําหนักเห็นว่าขันติคือความอดทนเห็นว่าโสรจจะคือความสงบสงี่ยมนั้นเนี่ยมันสําคัญกว่าการผูกเวรสําคัญกว่าชีวิตของพ่อที่ตายไปแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าต่อให้ผูกเวรชีวิตพ่อก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้เพราะการผูกเวรเพราะการผูกโกรธนั้นหรือต่อให้ชากกันจนแหลกรานกันไปข้างหนึ่งบ้านเมืองก็ไม่ได้จะดีขึ้นมาได้ แต่เพราะว่าคุณธรรมคือสามัญญผลที่ขา้าพุทธมันกลับสามารถพัฒนาบ้านเมืองปกครองโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำให้ชาติฟื้นคืนกลับดีขึ้นมาได้ไอเจ้าความผู้โกรธในตะวังการทะเลาะวิวาททิ่มแทงเสียสีกันเนี่ยมันจะพาไปนรกนะแต่คุณธรรมคือความเมตตากันความรักใคร่กันมีความเคารพกัน ตักเตือนกันโดยทำอดทนถ้อยทีถอท้ถออาศัยมีความสามีกีพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันจะพาไปสวรรค์ น, นะแล้วถ้าเราทําดีขึ้นไปอีกเนี่ยไปนิพพานนะมันเทียบคุณค่ากันไม่ได้เลยท่านผู้ฟังให้เห็นคุณค่าเห็นความยิ่งใหญ่เห็นความสําคัญของสามัญญชนเหล่านี้แต่เราด้วยอํานาจของตัณหาและทิฏฐิทําให้ไม่สามารถเห็นความสําคัญเห็นความยิ่งใหญ่ของคุณธรรมเหล่านั้นได้กลับไปทําเรื่องเล็กๆน้อยๆ ให้มันใหญ่เกินคุณธรรมเหล่านั้นทําให้เข้าแตกกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ที่ฟังทำเนี่ยให้รู้แต่ละบ่วงให้เห็นแต่ละบ่วงให้เห็นถึงความสําคัญหเห็นความเป็นใหญ่ถึงความที่หมู่นั้นจะมีความสามัคคีกันไม่แตกกันโจรน่ะโจรเขายังสามัคคีกันทาความชั่วได้ก็แล้วทําไมคนดีๆจะสามัคคีกันทาความดีไม่ได้เพราะว่ามันทําได้ทําได้เพราะการที่ไม่ผูกโกรธไม่ผูกเวร การที่ไม่ปลูกโกรธไม่ปลูกเวรพอไม่ปลูกไม่มีเงื่อนเนี่ยผมเนี่ยท่านผู้ฟังยิ่งปลูกเข้ายิ่งมัดเขามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเนอเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อกับกลายเป็นใหญ่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันใหญ่เกินคุณธรรมคือความอดทนคือความรักใคร่สามัคคีกันคือความปรองดองกันใหญ่ยยเกินไปอย่างนี้แล้วมันมองอะไรไม่เห็นนั้นถูกปิดบังไปหมดถูกเรียกมาเตือนสองถึงสาครั้งก็ยังไม่รู้ไม่ทราบตัวนี้จะเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังเวลาที่มีเรื่องอะไร เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นให้เราเล็งเห็นถึงความสําคัญของธรรมะเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณธรรมข้ามล่วงก้าวล่วงเจ้าความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นให้ได้แล <him. S 2> <ถ Nearly S 1> ้วก็ค่อยแก้ไขไปตามเหตุนั่นแหละจะนําความสามัคคีความเป็นสุขความพร้อมเปรียงกันทําความรักกันทําความเคารพกันมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีความไม่มีวาทกันมีความพร้อมเปรียงกันมีความเป็นพวกเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ ประชาพระมาหาภัยบุญภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเริญผ่อน